276. อัเจ็ดัฏฐานะวัตถุกถาว่าด้วยเรื่องที่ก่อให้เกิดความแตกแยก18ประการเรื่องทรงแสดงเหตุแห่งความแตกแยกแก่ท่านพระสารีบุตรน ก, กรุงสาวัตถี 468. ิ46ต่อมาพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีเก็บเสนาสนะแล้ว ถือบาทและจีวรพากันเดินทางไปกรุงสาวัตถีท่านพระสารีบุตรได้ทราบข่าวว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาดก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงเหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทราบว่าพวกภิกษุกชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงเหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถี ข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อพวกเธออย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าสารีบุตรเธอจงวางตนอยู่อย่างชอบธรรมเถิดท่านพระสารีบุตรกราบทูลถามว่าข้าพระองค์จะพึงรู้ได้อย่างไรว่าชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมพระพุทธเจ้าข้า